แต่พอสูตรต่อไปเนี่ยคืออตีตานาคตะปัจจุบั น, นสูตรเอามาตั้งชื่อสูตรเลยนะว่าอดีตอนาคตปัจจุบันสูตรเนี่ยนะสูตรว่าด้วยอดีตอนาคตปัจจุบันว่าดูกรทพิสูน์ทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตอนาคตไม่เที่ยงจะ ก, กล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่ า, านะอธิบายแบบวิสุทธิมรรคบอกก็รูปในภพที่แล้วมันก็หมดไปแล้วนายในภพที่แล้วอ่ะรูปที่จะเกิดในภพหน้ามันก็จะหมดใน พบหน้านั่นแหละไม่ต้องพูดถึงรูปปัจจุบันนี่หรอกรูปปัจจุบันนี้ก็ตายแน่วางนั้นหมดแน่ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอะไรในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปที่เป็นอนาคตคําว่าอะไรก็คือเสียดายนะและไม่เพลิดเพลินคือไม่คาดหวังต้องการขันต่อไปในอนาคตคําว่าเพลิดเพลินหมายถึงการ สร้างความหวังสร้างความหวังว่ารูปต่อไปในอนาคตเนี่ยเป็นเช่นนั้นเช่นนั้นเนี่ยนะคือไอาการสร้างความหวังอย่างนี้แหละเรียกว่าเข้าไปเพลิดเพลินในในรูปประขันที่เป็นอนาคตแต่แต่ว่าไม่เข้าไปเพลิดเพลินเนื่องจากว่าเห็นว่ารูปทั้งที่เป็นอดีตก็ไม่เที่ยงใช่ไหมรูปที่เป็นอนาคตก็จักไม่เที่ยงก็ปฏิบัติเพื่อเบื่อนายนนะคลายกาหนัด และความดับรูปที่เป็นปัจจุบันนะบอกชัดเจนนะปฏิบัติเพื่อให้เกิดอะไรตอนแรกบอกว่าไม่เที่ยงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันเท่ากับอนุปัสนาสามนี้บริบูรณ์ใช่ไหมอนิจนะนะแต่ตรงนี้เน้นอนิจจานุปัสนานะก็คืออนิจจานุปัสนาที่บริบูรณ์เนี่ยนะก็ยังอะไรนิพิธาให้บริบูรณ์พ อ, อนิพิทาเกิดคลายกำหนัดนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคก็ดับก็เป็น อริยผลเนี่ยนะก็เห็นรูปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันโดยไม่เที่ยงเบอหน่ายพอเบือหนนายอริยมรรคเกิดพออริยมรรคเกิดอริยผลก็ก็เกิดนนะอันแสดงวิปัสนาอ่อนวิปัสนามีกำลังมรรคผลเลยตรงนี้เน้นมรรคสัจจะไหนาเป็นพิเศษเน้นสัจจะไหนา เน้นมักสัตว์เป็นพิเศษเนี่ยนะคือเน้นการเจริญวิปัสนาหรือการเจริญปัญญาจนอริยมรรคเกิดขึ้นเป็นพิเศษนั่นเองนะเวทนาที่เป็นอดีตเวทนาที่เป็นอนาคตเนี่ยนะไม่เที่ยงจะกล่าวไปยัยถึงเวทนาที่เป็นปัจจุบันเล่าเนี่ยนะสัญญาที่เป็นอดีตสัญญาที่เป็นอนาคตไม่เที่ยงจะกล่าวถึงสัญญาที่เป็นปัจจุบันไปยัยเล่า สังขารที่เป็นอดีตสังขารที่เป็นอนาคตไม่เที่ยงจะกล่าวถึงสังขารที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าวิญญาณที่เป็นอดีตวิญญาณที่เป็นอนาคตไม่เที่ยงจะกล่าวถึงวิญญาณที่เป็นปัจจุบันไปใหญ่เล่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้เห็นนะคือเข้าไปเห็นมาอย่างไงเห็นว่าขันทั้งที่อดีตก็ไม่เที่ยงอนาคตก็ไม่เที่ยง ขันที่เป็นปัจจุบันก็ไม่ต้องพูดถึงะนะว่ามันจะเที่ยงมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเมื่อเห็นอยู่อย่างนี้ก็เป็นผู้ไม่มีอะไรในขันอ่ะนะที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินขันที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อความดับขันที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะก็คือกาจัดฉันราคะในขันที่เป็นปัจจุบันซะ ขันทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตนะมันอาศัยยางเหนียวที่มีในขันในปัจจุบันนี่แหละเนยถ้าถ้าคั่วให้มันสุกในขันอันนี้นะมันก็ไม่ต้องการขันอันต่อไปละเพราะฉะนั้นสําคัญมากที่สุดก็คือคั่วในขันในปัจจุบันนี้เห็นปัจจุบันนี้ปัจจุบันไหนปัจจุบันนขณะนานี้เลยเหรอก็หมายเอาปัจจุบันชาตินี้ถ้าคั้วนะคำว่าคั่วยางเหนียวคือ การเจริญสมถาวิปัสนาเนี่ยนะก็เหมือนกับการขั้วใช่ไหมขั่วจนสิ้นยาง น, นะหมดตันหาหมดฉันทราค่าในขันได้อย่างนี้ก็ขันอันใหม่ก็ไม่เกิดเนี่ยนะเรียกว่าตัดสายพันธุ์ซะนั่นนะคั้วหแห้งเลยนะอย่าเป็นใหม่ะนะใหม่ก่อนยังไม่ทันแห้งเลยนะไหม่เป็นบางอย่างอนะ สูตรที่สองพูดถึงดูกรพิสูจน์ทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตรูปที่เป็นอนาคตเป็นทุกจะ ก, กล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันไปใยเล่านี่นะอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเป็นผู้ไม่มีความอะไรในรูปที่เป็นอดีตไม่เพลิดเพลินรูปที่เป็นอนาคตย่อมปฏิบัติเพื่อความเบือหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อความดับรูปที่เป็นปัจจุบันเนี่ยนะ ในสองสูตรนะสูตรก่อนเนี่ยพระองค์แสดงถึงความไม่เที่ยงใช่ไหยก็แสดงกับภิกษุกลุ่มหนึ่งเลยเนะเพราะอีกกลุ่มหนึ่งมาเนี่ยพอแสดงคําว่าเป็นทุกขเนี่ยท่านเข้าใจ น, นะก็สอนในเรื่องเน้นทุกขานุปัสสนาไปพอกลุ่มที่สมก็แสดงถึงความเป็นอนัตตาว่าดูกรภิกษตรทั้งหลายรูปที่เป็นอดีตเป็นอนาคตเป็นอนัตตาจะกล่าวถึงรูปที่เป็นปัจจุบันไปยายเล่า น, นะนะแล้วก็เท่ากับว่าสามกลุ่ม จริงๆอ่ะสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาแต่ว่าการเข้าไปเห็นของแต่ละคนเนี่ยชำนานไม่เหมือนกันนะบางคนก็ชำนานโดยความเป็นของไม่เที่ยงะนะคืออย่างมองชีวิตนะบางคนเนี่ยมองว่าโอ้โชีวิตมันนิดเดียวจริงๆอ่ะนะเป็นของสั้นมากเดี๋ยวก็ตายแล้วอีกคนหนึ่งบอกว่าโอ้โหนี่ชีวิตนะที่เกิดมามันกองทุกทั้งนั้นเลยอ่ะนะมีความสุขตรงไหนบ้างนี่ คนหนึ่งบอกว่ามันหาสาระอะไรสักอย่างไม่ได้เลยนะจริงๆก็คือในวัตถุดิบอันเดียวนะคืออุปาทานขันห้าแต่การเข้าไปเห็นไม่เหมือนกั น, นคือมองกันคนละมุมอ่ะนะแต่จริงๆก็คือเห็นสิ่งเดียวกันแต่ถ้าเห็นถูกต้องก็นำมาซึ่งอะไรความเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกาหนัดถ้าคลายกำหนัดก็สิ้นทุกข์ละนนะก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะ อีกขึ้นวักที่สองอันนี้จัดสูตรที่หนึ่งว่าสาวสถีเหมือนเดิมเนี่ยนะว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงดูก่อนพิสูจทั้งหลายอริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายแม้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัด จึงหลุดพ้นเมื่อหลุดพ้นย่อมมีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วอริยสาวกนั้นย่อมรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีเห็นไหมคือเข้าไปเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงอะนะถ้าถ้ากล่าวโดยสรุปนะว่ามีมีการรับรู้อารมณ์ขณะไหนบางที่ไม่ใช่ขันนี่ไหย อ๋อนะถึงมีบัญญัติเป็นอารมณ์ก็เป็นบัญญัติที่อาศัยขันอยู่ดีเพราะฉะนั้นชีวิตตลอดเลยรับรู้ว่าไม่ขันใดก็ก็ขันหนึ่งทีงนี้ทํายังไงที่จะเห็นว่าขันเหล่านั้นอ่ะมันไม่เที่ยง <c ười> คือไม่ใช่สักไปท่องบนว่าไม่เที่ยงอ่ะนะคือแต่ถ้าท่องได้ก็ดีอ่ะนะดีกว่าไปคิดอย่างอื่นทั้งหมดแหละว่างั้นอ่นะไปท่องว่าเออเนี่ยสิ่งทีีีี่่่่่่่เเรราาาาคคิิดดดดถึงงงงงททัั้หมนมะ น, ะนนไยยยออออกกกะะะ็ววื แต่ว่าแต่ถ้าเข้าไปพิจารณาโดยการทาปริญญาทั้งสามประการในในทุกๆขันหรือเรียกว่าทุกอารมณ์ที่เกิดการรับรู้นี่ก็ถือว่าใช้ได้แล้วะ น, น, นะส่วนสูตรที่2บอกว่าเป็นทุกนะข์นขันหเป็นทุกข์อริยาสาวกเมื่อได้ฟังก็เบื่อหน่ายใช่ไหมอีกสูตรหนึ่งก็บอกว่าเป็นอนัตตาเนย น, นะอริยาสาวกเมื่อฟังแล้วก็เบื่อหน่ายอีกเหมือนกัน พอสูตรที่4ี่บอกว่ารูปไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นแหละเป็นอนัตตาเนี่ยนะแสดงว่าชุดที่3มนี่กลุ่มนี้ต้องฟังทั้งหมดนะนะฟังอย่างเดียวไม่ได้เนี่ยนะเพราะสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นไม่ใช่ของเราสิ่งนั้น เ, เราไม่เป็นสิ่งนั้นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราเนี่ยนะก็มันไม่เที่ยงเป็นทะุกเป็นอนัตตาจะเข้าไปว่าเอ้ยนี่มันของเราเราเป็นอย่างนี้นี่เป็นอัตตาของเรามันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะ เพราะนั้นอริยะสาวกเห็นด้วยปัญญาตามความเป็นจริงอย่างนี้ในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเนี่ยนะเพราะอริยะสาวกเห็นชัดอย่างนี้ก็เกิดอะไรขึ้นก็เบื่อหน่ายใช่ไหมเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดก็หลุดพ้นเนี่ยนะหมดก็เรียกว่าหมดภาระกิจสักทีนึงเหรอไ คือใครจะคิดว่าเสิ่งเหล่านี้เป็นกิจในาศาสนาเนี้นะกิจคือการเข้าไปเห็นขันโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาเนี่ยนะนะแต่ถ้าไม่ได้สึกเรียนพิจารณาขันมาโดยละเอียดรูปไม่เที่ยงยไม่เที่ยงพิจารณาต่อไปยังไงคุณนภาเอาก็รูปมันไม่เที่ยงอะแค่นี้พอไหมพิจารณาว่าไงต่อไปเป็นทุกข์ด้วยเป็นอนัตตาด้วย เอาแล้วก็จะไปท่องเลยนะว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตารูปไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาพอหรือยังอันนี้ทํายังไงอีกออกไปทําปริญญาด้วยเอาแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาไม่ใช่ปริญญาเหร อ, อาก็นี่ไงกําลังทําอยู่นี่ไงตามที่บอกอะปริญญาทำยังไงบอกหน่อยได้ไหมอ๋อมายังไงไปยังไงนะ เอางั้นเลยนะก็ต้องไม่ลืมนะว่าถ้ารูปประคันเนี่ยท่านนึกอ่ะนึกว่าอย่างไรนะสติปัฏฐานสูตรกายานุปัสนาต้องแม่นหน่อยนะแล้วก็จะเห็นในธรรมะเหล่าเนี้ยชัดขึ้นเห็นว่ายังไงร่างกายนี่มีลมหายใจเป็นเบื้องต้นมีกระดูกแหลกผุยผงเป็นที่สุดเนี่ยนะก็พิจารณาอย่างนี้อทั้งโดยภูตรูปและอุปาทายรูปพิจารณาจนตลอดสาอย่างที่กล่าวไป ก็จะเห็นในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาในในรูปเนี่ยนะนี่ถ้าพิจารณาเวทนาเวทนาทั้ง9้าเวทนาเลยนะทั้งสุขทุกข์อุเบกขาเนี่ยนะและ้วถ้าพิจารณาเวทนาก็พิจารณาวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งเวทนานะก็คือรูปเหล่านั้นนั่นแหละเป็นวัตถุแห่งเวทนารูปไม่เที่ยงเวทนาซึ่งอาศัยวัตถุเหล่านั้นนั่นจะเที่ยงไม่อย่างไงนะก็พิจารณาเวทนาทั้ง9้าโดย ละเอียดทีนี้เวทนาเนี่ยเกิดร่วมกับจิตไหมก็สัมปยุตตปัจจัยกับจิตอยู่แล้วก็พิจารณาจิตเหล่านั้นนั้นที่อาศัยรูปเหล่านั้นเกิดหรือที่เกิดพร้อมกับเวทนาเหล่านั้นนั้นอะ่ะก็จะเห็นชัดในความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นนั่นเพราะฉะนั้นไม่ใช่มานั่งแค่จดจ้องอยู่อันเดียวแต่ถ้าจดจ้องอันเดียวได้นะแล้วแทงตลอดได้เนี่ยถือว่าโอ้ฝีมือมากานะรับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วนะแล้ว อย่างถึงพระไตรปิฎกหมดเลยถ้าอย่างนี้ก็มีบุญมากเนี่ยนะก็ถ้าทําอย่างนั้นได้จะอนุมโมทนาเป็นอย่างยิ่งเนี่ยนะแต่ว่าถ้าถ้าจะพิจารณาส่วนเหล่านี้ให้ลึกซึ้งนะเมื่อเกิดการเกี่ยวข้องกับขันทั้งหลายหรืออารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเนี่ยมองเห็นคุณพระพุทธเจ้ามาดับแรกก่อนถ้าถ้าจะเอาให้ย้อนขึ้นมาอีกนะจะได้เจริญตามได้เนี่ย เนี่ยสมมุติเห็นแก้วน้ำเนี่เอ๊ะพระพุทธเจ้ามีคุณยังไงเนี่ยนะทักตั้งคำถามแบบนี้ขึ้นมาก่อนใช่ไหม mm hmm. พระพุทธเจ้าเป็นพราธะหัน์ไม่มีกิเลสในสิ่งเหล่านี้เลยอันดับแรกก่อนนะพอนึกออกนะพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะกําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้เพราะละเพราะทําให้แจ้งเพราะเจริญธรรมะทั้งหมด mm hmm. พระองค์เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้แบบมีวิชากับมีจรณะเนี่ยนะ mm hmm. พระองค์ไปปฏิบัติหนึ่งอย่างตาม อริยมรรคพระองค์พิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยความเป็น <Low. S 1> นะี่นเทียกว่าโลกอ ว, วิทูแล้วพระองค์เป็นพระผู้เจ้าคือกําจัดกิเลสทุกชนิดตื่นตัวด้วยตัวเองปลุกให้คนอื่นตื่นด้วยอย่างนั้นนะพระองค์เนี่ยจาแนกแจกแจงธรรมรัตนะที่ไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดนะแล้วพิจารณาอย่างนี้ให้เห็นคุณพระผู้เจ้ากันแล้วคําสอนพระพุทธเจ้าสอนว่ายังไงบ้างในรูปนี้เนี่นะก็ต้องดูว่าไอ้รูปนี้งามหรือเปล่าว่า ถ้า ง, งามหน่อยพอคงก็ตรัสนะยกหนึ่งหนึ่งบทหนึ่งขึ้นมานะมุนชูจำได้นะรูปที่น่าปราถนาหน้าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดเนีย่ยนะถ้าเพลดิดเพลินในรูปนี้ก็เป็นไงคุ้นคิดแล้วก็พูดถึงบ่อยๆเพลิดเพลินบ่อยๆถ้าเพลดิดเพลินเกิเอดอะไรเกิดทุกเกิดทุกเกิดคือไงอันนี้เป็นอา ร, รมณะปัจจัยของปฏิสนธิในภพต่อไปได้ไ ได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเป็นอารมณ์ของการเกิดใหม่สบายๆเลยนะแล้วถ้าสายวิวัตต์พิจารณายัางไงให้เห็นว่าเออธรรมะพระพุทธเจ้าสอนอะไรไว้บ้างแล้วพระสงฆ์ท่านปฏิบัติอะไรกันนะนะท่านคิดยังไงกันทศ า, าริบุตรท่านคิดยังไงพระโมคคัลลานะท่านคิดยังไงพระมหากรสปะท่านคิดยังไงเมื่อรับอารมณ์ทั้งหลายนะแล้วเราอ่ะเชื่อท่านไหมล่ะถ้าไม่เชื่อก็ ถ้าเชื่อก็จะได้ถึงมีไตราสาระสักทีหนึ่งอ่ะนะถ้าไม่เชื่อก็จะได้ไปทำอย่างอื่นที่เราชอบเหนนเถอะถ้าเราเชื่อโอ้นี้นะช่วยให้เราพ้นทุกข์ได้ น, นะ ก, ก็จะเกิดการไข้ครควนเป็นอย่างมากเลยนะอย่างน้อยที่สุดนะจำพุทธคุณก้าให้ได้นะเกี่ยวข้องกับอารมณ์ไหนก็ระลึกถึงพุทธคุณก้าวให้ได้ก่อนถ้าทรมาคุณได้เป็นอย่างดีเนี่ยนะก็ดี ถ้าเห็นศีลเป็นต้นได้ว่าพระอริยสงฆ์ทั้งหลายท่านปฏิบัติยังไงก็จะดีมากเนี่ยนะนะส่วนที่เหลือแล้วเราเนี่ยจ ะ, จะเจริญยังไงต่อไปเนะี่ยทำยังไงจะเห็นแบบท่านเพราะเราก็ตั้งความปรารถนาใช่ไหมถ้าพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเราก็ขอตรัสรู้ตามพเพราะฉะนั้นก็ต้องตรัสรู้สิ่งเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นแหละเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้ารับอารมณ์แล้วพระองค์ไม่มีกิเลสเราก็มีจุดมุ่งหมายอย่างพระองค์คือต้องการไม่มีกิเลสเหมือนกันนะ พระองค์เนี่ยไม่ละ ก, กิเลสได้เพราะพิจารณาอย่างไงเราก็ต้องพิจารณาตามนั้นเนี่ยนะถ้ามีวิธีอื่นก็สบายละเหมือนกันนะถ้าผูใดเห็นแก้วนะแล้วก็จ ะ, จะเจริญได้เนี่ยนะก็ไม่ต้องห่วงแล้วอารมณ์อื่นทั้งหลายอจึงป่วยว่าไปใ ย, ยถึงอารมณ์ที่มันเป็นสุภาษหรืออสุภาทั้งหลายก็แก้วอย่างเนี่ยยังจเจริญได้เนี่ยแก้วเป็นอารมณ์เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็น่าสนใจเดียวเนี่ยแล้วเจริญยังไงเนี่ยก็ถ้าเจริญจบได้ก็อนุมโมทนาด้วยนะไม่ต้องมาเรียนก็ได้ไปเจริญไปทําให้มากๆก็แล้วกัน <c oughs> แต่ถามว่าเห็นแล้วเจริญสมถะได้ไหมผู้ที่อบรมกสิณมาเป็นอย่างดีนะสีหลอดนี่มันสีอะไรเนี่ยสีขาวใช่ไหมผู้ที่มีความสา ม, มารถนะมันอารมณ์ขนาดไหนท่านก็เข้าชานได้เนี่ยนะเข้าเข้าโอทาตะกะสินได้ เข้าโอตากสินแล้วถ้าน้ําเนี่ยมันออกสีอะไรหน่อยออกออกเหลืองหรือออกเขียวเอาให้มันดูเหลือง ๆ, ๆหน่อยก็แล้วกันเนี่ยนั<ๆ>ก็เข้าอะไรปีตะกรสินได้เห็นไหมถ้ามองโอ้โหนี่มันสว่างนะท่านเข้าอะโลกสินได้อ่ะผู้ที่เขาอบรมมาจริงๆอ่ะไม่มีอารมณ์อะไรที่ไม่ก่อให้เจริญสมถวิปัสสนานะไม่มีแม้แต่อารมณ์เดียว ลองไปถามดูว่ามีอารมณ์ไหนบัางที่เจริญสมถะและวิปัสนาไม่ได้เลยนะถ้าใครหาพบนะจะให้อะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งให้อ น, นี้ไปเขียนกันแล้วนันไม่มีแนมะ้แต่อารมณ์เดียวที่ที่ไม่ไม่คู่ควรต่อการเจริญสมถะและวิปัสนาเลยนะ น, นี่น่าคิดนะน่าคิดไหม เข้าใจว่าไงนพะีน่หลังจากทากทักลเข้าใจว่ายังไงนะเห็นแก้วแล้วีเป็นบจะาถมี่วั น, เนเาเลยอธิบายไม่ได้เป็นขัดเจกับปุริชาดีรู้แหะที่บ้านเราใคยอธิบายได้หมดอาจารย์กิสา เพราะว่ามันมีความแปรปรวนไปมันอาจจะดีหรือมันอาจจะแตกก็ได้แล้วก็เห็นความไม่แน่นอนอานาตตาเป็นอะไรเนี่ยสรรมธาวิบาสนะเป็นธรรมธาไร มันก็รู้กันะงั้นเ้อเรียนมาด้วยกันนี่แหละว่างนรู้กันอยู่แล้วอันน้รู้กัน เ, นน เ, ร, เรียนมาด้วยกันนี่แหละว่างั้นเดี๋วก่าวแล้วอ ah> ี้ดีกว่ายังอาจารย์ว่าอะรอยงเี้้ว่ามาหมดแล้วเห็นแข็งอ็กรวดใช่ไหมเห็นแข็ง เห็นอะไรนไหมมือจับแข็งแล้วทำให้มันเป็นอะไรตอนนี้สมถ t h หงายดีอยู่กุเตนี่ได้สมถ t วิปัสสนาตลอดเลยเพราะว่าจับแก้วมันเย็นน่ะนะ ไม่มีขนาดไหนที่จับแล้วไม่รู้ว่ามันเย็นเลยนะมันรู้ตลอดเลยนี่จับก็รู้ว่ามันเย็น <c oughs> แต่ให้รู้ว่าถ้าเราจะพิจารณาในแง่โพธิภารมนะก็ควรจะพิจารณาให้มันทั้งสูตรนะอย่างน้อยให้เห็นความเกิดกับความดับก่อนอนะวันก่อนนี่บอกแล้วว่าเกิดดับเนี่ยนะมาจากคำว่าสมุทัยกับอัดฐคมะถ้าเกิดนี่เกิดยังไงก็ฉักฉะกสูตรก็น่าจะได้ใช่ไหม เช่นรับแก้วเนี่ยหรือแบบโลกานิโรท่าสูตรก็ได้อาศัยกายกับโพธะพระเกิดกายวิญญาณธรรมะสามอย่างเป็นภาษาพระภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาพระเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาถ้าตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานพระอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบก็คือเนี่ยยกเนี่ยเป็นพบเลยนะเป็นกรรมพบขณะที่ยกขึ้นเนี่ยเป็นกายกรรม เจตนาอันนี้มีผลไหมก็ให้ผลเป็นชาติเนี่ยนะชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีอนะชรามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนับและอุปายาสนี่นะกองทุกข์ทั้งมวลก็เกิดด้วยอาการอย่างนี้เพรา ะ, ะทุกๆอารมณ์ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะเหตุแห่งการเกิดในภพใหม่ทั้งหมดเลยการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าพิจารณาความเกิดเนี่ย ถ้าพิจารณาความดับก็นัยะตรงกันข้ามที่กล่าวไปนะก็มองให้เห็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วแต่ก็พิจารณาในรายละเอียดให้กว้างขวางเท่าที่จะทำได้ <c oughs> จนคู่ควรแก่การตัดกิเลสเนี่ยนะนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายในการเจริญธรรมะการพิจารณาธรรมะก็คงน่าจะมีการชัดเจนอยู่แล้วใช่ไหม ก็ถ้ายังไม่มีนะจะขอเสนอแนะนําแบบผู้การให้พรคุณชุศรีนะนะั่นแหละบอกว่านะถ้าเราจะตั้งความปรารถนานะให้ตั้งไว้เลยว่าข้าพเจ้าโดยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญไปแล้วนี้ขอให้ข้าพเจ้าได้กําหนดรูปปาทานนักขัที่ควรกําหนดรูปเนี่ยนะนะขอให้ละสมุทัยศาสตร์ที่ควรละขอให้ทํานิโรธให้แจ้งนะขอให้เจริญอริยมรรคให้บริบูรณ์อย่างนั้นเถอะก็ตั้งความปรารถนาเอาไว้นะ ไม่ตั้งก็ตั้งแล้วก็ให้ตั้งบ่อยๆด้วยนะก็จะได้เห็นเออสิ่งที่เราตั้งเนี่ยตั้งเพื่ออย่างนี้นะนะก็จะได้เห็นชัดเจนขึ้นถ้าไม่ตั้งเอาไว้เลยเนี่ยน ะ, ะปริญญาสามก็ไม่คิดจะเจริญปะหานะทั้งห้าก็ไม่คิดที่จะนะมีเป้าหมายเพื่อจะละอะไรนิโรธสัตว์ที่สงบระงับดับทุกเราก็ไม่อยากจะทำให้แจ้งการอบรมทั้งสมถะและวิปัสสนาก็ไม่มีความฝักฝ่เนี่ยนะไม่มี จิตใจหรือไม่มีฉันท่าที่จะเจริญเลยถ้าไม่มีเป้าหมายที่ที่ชัดเจนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปที่ไหนก็ให้ทำกิจเนี่ยสีประการนะคือกิจในอริยสัจเนี่ยนะถ้าทำจบวันไหนได้เรียกว่าพาระหันผู้ทำกิจจบแล้วทีนี้ในบรรดากระบวนการที่จะทำให้จบกิจอย่างที่ว่าก็สูตรทั้งหลายที่กล่าวไปนนะก็อีกวิธีหนึ่งในการพิจารณาเนี่ยนะ คือเพื่อไม่ให้ลูกทั้นผมนะต้องไปพลาดพลั้งเสียหน้าท่านอาจารย์นะเพราะว่าปัญหานี้ต้องเกิดถิกแน่ๆเลยนี่คุณเห็นแล้วนี่คุณจริญมนิพพัฒนาได้ยังไงตัวอย่างบ่อยๆคือไอแ้แก้วว่าแก้วน้ำอยู่ข้างหน้านี่เ่าเราเจอบ่อยมาไอ้แก้วน้าเนี่ยเนี่ยเราต้องเจออีกครคอยดูเลยนะเพราะฉะนั้นผมจึงอยากไม่ให้เราเสียหน้าต่อไปนะ ถามว่าเห็นแก่นี่เห็นแล้วเนี่ยมันจะเป็นจะอาการเจริญสมถาวิปัสนาอย่างไรนะเขาให้ท่านตอบไปอย่างสั้นๆแล้วไม่ต้องตอบต่อไปนะบอกว่าให้เห็นเป็นประมาณว่าเห็นนะหรือว่าเห็นสักเท์แว่าเห็นนะแล้อย่ามาสักต่อนะถ้าอย่างนี้รับรองว่าไม่มีผิดนะไม่มีผิดเลยนะแต่แห้ามพูดต่อนะนะ สักแต่ว่าชิมยังไงได้ได้ทุกอย่างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขาคนงานสักแต่ว่าทําไปสักคนไหมจับเอาเอาคนใช้ไปไว้บ้านสักคนหนึ่งไงเพศประเภทสักแต่ว่าทําทั้งหลายเอาไหมเห็นไหมเป็นหมอก็สักแป่ว่าเป็นให้ยาก็สักแป่ว่าให้กินก็สักแต่ว่ากินเนี่ยผ่าตัดก็สักแต่ว่าผ่าอย่างเงี้ยนะผ่าฟันก็ถอนฟันก็สักแต่ว่าถอนอย่างเงี้ยนะเอาไหม เดี๋ยวก็วพวคผมยั ง, งสงสัยอยู่ครับเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเห็นให้เห็นเป็นประมาณว่าเห็นเริ่มเป็นมีปัจนากัรสมถะอะไรท่านต้องช่วยอธิบายเลยครับเกิดสูตรเขาก็มีว่าเธอพึงทำศึกษาว่าเอาให้เต็ม น, นะที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยนะเธอพึงทำศึกษาว่าศึกษาในบาลีว่าสิกขาให้เจริญสิกขาสามเมื่อเห็นเนี่ยจักเป็นประมาณว่าเห็นก็ข้อปฏิบัติก็คือสิกขาสามอ่ะ นะที่ใช้คำว่าเห็นเป็นประมาณว่าเห็นเนี่ยเพราะขณะที่เห็นเกิดขึ้นไม่มีราคะโทสะและโมหะเลยในขณะจากคุูวิญญาณสัมปติชนะสันติรณะวธฒภานะเกิดนะไม่มีฉันทราคะแม้แต่อย่างเดียวเลยบาเพ็ญไตรสิกขายังไงให้รับรู้อารมณ์เหล่านี้แล้วโดยที่ไม่มีฉันทราคะไม่มีตัณหามานะทิฏฐิในอารมณ์เหล่านี้เลย น, นะด้วยข้อปฏิบัติคือไตรสิกขา ไม่งั้นมักมีองแปดจะแปลว่าทําอะไรก็สักแต่ว่านั่นแหละคือมักมีองแปดเนี่ยนะ <c oughs> ไม่ใช่มักง่าลยละเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคําว่าสูตรเต็มๆเลยเราต้องจําให้ได้นะ <c oughs> เมื่อเห็นเอเธอเพิ่งทำศึกษาว่าเมื่อเห็นจักเป็นประมาณว่าเห็นนะเมื่อเมื่ อ, อไรเมื่อได้ยินจักเป็นประมาณว่าได้ยินเมื่อทราบจักเป็นประมาณว่าทราบเมื่อรู้เนี่ยนะจักเป็นประมาณว่ารู้ นนะเมื่อเธอเห็นจากเป็นประมาณว่าเห็นเมื่อได้ยินจากเป็นประมาณว่าได้ยินเมื่อทราบจากเป็นประมาณว่าทราบ น, นะเมื่ อ, อรู้แจ้งเนี่ยนะหรือเมื่อรู้ก็รู้เป็นประมาณว่ารู้เธอก็จะไม่มีในโลกนี้โลกนี้คืออายตนะภายใน 6. เธอจะไม่มีในโลกหน้าคืออายตนะภายนอกหจะไม่มีในระหว่างโลกทั้งสองคือจิตเห็นเป็นต้น น, นะนั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุก ก็คือเห็นว่าจากักษุเนี่ยนะหรืออายตนะหรือวิญญาณทั้งหลายที่เกิดเพราะอายตนะนั่นไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาของเราก็คือเห็นสิ่งเหล่านี้โดยความเป็นของไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็เบื่อหน่ายคลายกําหนัดนะนะก็เข้าสูตรอย่างนั้นเดีย๋ยวยังจำได้นะเนาะไปเลยขอเทปไป อีกสูหนึ่งนะว่าอันนี้จะเหตุสูตรเนี่ยนะบางคนเนี่ยพิจารณาแต่ขันไม่เที่ยงแต่ไม่เลยไปพิจารณาเหตุด้วยนะดูความพิสูจน์ทั้งหลายรูปไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ทําให้รูปเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงดูความพิสูจน์ทั้งหลายรูปที่เกิดจากสิ่งไม่เที่ยงที่ไหนจากเที่ยงเรา น, นะคือพิจารณาเหตุนะเหตุที่ทําให้เกิดรูป น, นะเหตุมีอะไรบ้างอาวิชชาตันหกรรมอาหารใช่ไหย สิ่งเหล่านั้นคือเหตุที่ทำให้รูปเกิดเหตุเหล่านั้นก็ไม่เที่ยงแล้วรูปอะที่เกิดจากสิ่งที่ไม่เที่ยงจากเที่ยงมาแต่ไหนเน่ยนะ <c oughs> เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงแม้เหตุปัจจัยที่ทำให้วิญญาณเกิดขึ้นก็ไม่เที่ยงดูก่อนพิสูจทั้งหลายวิญญาณที่เกิดจากสิ่งไม่เที่ยงที่ไหนจะเที่ยงเล่าอาริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วเห็นอยู่อย่างนี้ย่อม เบื่อหน่ายในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเพราะคลายกำหนัดจิตก็หลุดพ้นเนี่ยนะเมื่อไหร่นะจะพ้นเนี่ยนะให้นึก อ, กอยากอย่างนั้นบ้างดิจะได้พิจารณาอย่างนี้บ่อยๆอนะคำว่าคำว่าอยากในที่นี้นะเป็นภาษาไทยแต่ก็บอกว่าเมื่อไหร่จักหมายใจว่าเป็นเช่นนั้นบ้างเนี่ยนะมีหลายสูตรอย่างพระเสขะอยู่ นั่งอยู่เป็นส่วนมากนะคำว่าเสขาก็คือพระอริยะเบื้องต่ําถ้าพระอริยะนั่งเบื้องต่ำนะพระพุทธเจ้าจะชมพระรหันต์พระรหันต์ดีอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้รู้อย่างนี้มีคุณธรรมอย่างนี้อย่างนี้ถามว่าทำไมพระองค์ยังแสดงอย่างนั้นพรบอกว่าเผื่ออริยะเหล่านั้นอ่ะถ้าเสขาจะฝ่ายใจว่าเราจะเป็นเช่นนั้นบ้าง น, น, นะนะก็จะได้ไปภาคเพียนมากขึ้น น, น, น, นะนะจะได้เป็นยอดบุรุษบัง่งทีนี้ รูปเป็นทุกข์เนี่ยนะขันทเป็นทุกข์ปัจจัยที่ทำให้ขัน5เกิดก็ขึ้นก็เป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาเนี่ยนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาแม้แต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอนัตตานั่นนะก็ไปเห็นอีกตามสูตรอีกสูตรหนึ่งนะสูตรในวักนี้สูตรสุดท้ายว่า ท่านพระนรน์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งและได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความดับเรียกว่านิโรธความดับแห่งธรรมะเหล่าไหนเรียกว่านิโรธเออถ้าจะดับเนี่ยดับธรรมะเหล่าไหนจึงจะเรียกว่านิโรธใช่ไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนอนอ น, น์รูปแรมเป็นของไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่ง อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งรูปนั้นเรียกว่านิโรธเนี่ยนะก <c oughs> ็เข้าไปเห็นรูปโดยอ่ะนะสายไม่เที่ยงอ่ะนะตรงนี้ยกพิเศษคืออนิจจานุปัสสนา ธรรมะในกลุ่มอ น, นิจจานุปัสสนาละใหญ่เลยก็มีอยู่เจ็ดคำ น, นะห น, นึ่งอนิจจังสองสังขตังสามปฏิจจธรรมังสี่ขย ะ, ะวยะธรรมังนนะขยะธรรมังแล้วก็วยะธรม ร, ะธรมังวิราคะธรรมังนิโรธธรรมังนี่นะก็เจ็ดคำนะข้อหกนะมีความคลายไปเป็นธรรมดา น, นีไ้ไม่มีไม่มีวิปริณธรรมใะ น, ะน <c oughs> ในสูตรไม่มีนะรูปแรมเป็นของไม่เที่ยงก็อนิจจังอันปัจจัยปรุงแต่งก็สังขตังอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นก็ปฏิจจธรรมมีความสิ้นสิ้นก็วยะเนี่ยขยะนะสิ้นไปเสื่อมไปก็วยะคลายไปก็วิราคะดับไปก็นิโรธะไม่มีวิปริณธรรมะนะมัน <c oughs> ความดับแห่งรูปนั้นแหละเรียกว่านิโรธเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาความดับแห่งวิญญาณเรียกว่านิโรธเนี่ยนะเออถ้าจะกล่าวให้เต็มก็บอกว่าท่านพิจารณาขันเหล่านั้นแล้วเข้าสมาบัติได้นั่นแหละเป็นนิโรธเนี่ยนะ เพราะว่าผู้ที่พระระยะบุคคลทั้งหลายโดยเฉพาะพระหานถ้าเจริญวิปัสสนามากท่านจะน้อมไปในอะไรน้อมไปเพื่อจะเข้าพระสมาบัติซึ่งมีนิพพานเป็นอารมณ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าดับไม่ใช่โอ้หยุดอยู่เท่าเอเห็นไม่เที่ยงอันปัจจัยปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นแล้วก็พอนะแล้วก็หยุดอยู่แค่นี้เรียกว่าดับไม่ใช่ท่านพิจารณาอย่างนี้แล้วก้าวล่วงเข้าถึง เข้าพระสมมาบัตตต่อได้นั่นแหละนั้นจึ ง, งมุ่งเป็นนิโรธแบบนั้นเนี่ยนะเป็นนิโรธที่ประสงค์จริงๆ <c oughs> นะตั้งกว่าไปทั้งสิบสูตรนะน่าจะได้ไปสักสูตรหนึ่งเนาะไปพิจานะรณาสิบกว่สูตรนะวันนี้มัน <c oughs> ก็เอาสักสูตรหนึ่งก็ได้นันะเอาไปไปไปคิดตามนั้นนะ่ะให้มากๆถ้าคิดอะไรไม่ออกก็คิดตามสูตรนั่นแหละ <c oughs> วันนี้ก็สมควรกับเวลานะ